กราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าเจ้าคะ่ะก็ในช่วงท้ายนะคะเป็นช่วงภาคบ่ายก็อยากจะให้เป็นบรรยากาศของการสนทนา<ส>เพื่อที่จะนํามาซึ่งความเข้าใจแล้วก็จะได้น้อมนําไปปฏิบัติคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้พูดกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วเรื่องของการเจริญทานการเจริญศีลการเจริญภาวนาในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคะ่ะ เราจะทำอย่างไรในแง่มุมนี้นะคะผู้พูดก็ได้ถามคำถามนี้ไว้แล้วเมื่อครั้งที่แล้วค่ะแต่อยากจะหยิบยกประเด็นนี้มาอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าในเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่กับเราเขาเรียกว่าเหมือนกับความตายมาจี้ติดอยู่ที่ต้นคอเราแล้วเนี่ยนะคะ หายใจรดต้นคอเราทีเดียวภายใน5วินาที10วินาทีเนี้ยค่ะเราจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วด้วยเหตุการณ์ที่กำลังรับอยู่ในเวลานี้อยากจะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าค่ะว่าภายใน5วินาทีสิบวินาทีที่เราจะมีลมหายใจสุดท้ายอยู่ในโลกนี้เราจะช่วยตัวเองอย่างไรให้พ้นไปจากวัฏฏทุกได้เลยก็น่าจะมีข้อมูลตรงนี้ไว้ด้วยเจ้าค่ะ ปราบนะมัสการเจ้าค่ะก็ก็ขโมยธนานว่ากรณีเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยเออพอพูดถึงตรงนี้นะก็ก็ให้นึกถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งคือเคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวเรื่องของคำว่า เครื่องบินเครื่องบินที่โดนที่ที่ระเบิดตอนนั้นนะถ้าจำได้นนะที่ประเทศไทยเราเนี่ยรู้สึกจะเป็นเราด้าแอร์ที่มาตกที่สุพรรณบุรีตรงนั้นเนะี่ยเคยมีข่าวอยู่ข้างคนประกฏก็ไม่มีใครเหลือเลยเนียน่ตายหมดแต่ แต่บางบางกรณีเนี่ยถ้าเรามองมองกรณีในลักษณะที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็แล้วแต่นี่นถทมให้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในกรณีที่เกิดภาวะตกใจสุดขีดเนี่ยเนองที่สถานการณ์ลุมเล้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปเสร็จเอามาเป็นคาราวา่าอามาเคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจอพายุเนี่ยนียตอนนั้นอยู่ในป่า แต่เกิดพายุในลักษณะที่ว่าเป็นควพัดมาแล้วก็เห็นพวกต้นไม้มันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นแถวเนี่ยนะแล้วก็ขาดเป็นแถวเป็นแถวมาเลยตอนนั้นออกมาก็หลบก็มันมีเสาก็กอดเสาอยู่เสาหนึ่งพ <c> อ <oughs> ปุ๊ บ, บกลับมาเนี่ยหายหมดเลยเนี่ยนะหลังคาก็ไปหมดอะไรก็ไปหมดเนียนะแต่เพอเอิญมันมีกระสาร กระสอบข้อสารใหญ่ๆกั้นอยู่เนะี่ยแล้วตอนเองก็กอดต้นเสาไว้เนี่ยนากดธแล้วรอดได้เนะี่ยนะรอดแต่ <hum> ถามว่าตอนนั้นในช่วงวินาทีในลักษณะอย่างนั้นคิดยังไงถ้าตอนนั้นก็ไม่มีข้อมูลมากเห็นไหมก็เน้นนึกถึงคำว่าพระเจ้าพระเจ้าแค่นนะองเพราะตอนนั้นก็ไม่มีข้อมูลใดๆเลยแต่ถ้าหากว่ามองในลักษณะอย่างเนี้ย สิ่งที่เราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจมาพูดไว้ตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยามาพูดถึงในเรื่องของปฐมมรณมรณสติสูตรแล้วก็ทุติย ม, มรณสติสูตรที่จะมาพูดเขาไว้ว่าตอนที่พระบรมศาสดาสถามภิกษุบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอเธอเจริญมรณสติกันอย่างไรถามนี่นะ พระก็บอกบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยพิจารณาบอกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็พิจารณาถึงความตายวันหนึ่ง12ชั่วโมงคืนหนึ่งสิชั่วโมงสรุปก็คือ22ชั่วโมงก็ไปย้าคิดถึงความตายหนึ่งครั้งเออยีชั่วโมงคิดถึงความตายหนึ่งครั้งเมื่อคิดถึงความตายบิดเสร็จก็เริ่มระดมความเพียรระดมความเพียรว่ากิจอันใดที่ยังไม่ได้ทําตามคําสอนของพระศาสดาก็จะระดมทํากิจเหล่านั้น กิจอะไรล่ะกิจในการกําหนดรอบรู้ใช่ไหมกิจในการละกิจในการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานกิจในการเพียรพยายามเดินตามศีลสมาธิปัญญาถ้ายัางคารวาทั้งหลายกิจในการระดมทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ยยีชั่วโมงก็จะคิดได้ก็จะระดมครั้งหนึ่งคิดได้ก็จะระดมครั้งหนึ่งส่วนคนที่สองภิกษุอีกรูปหนึ่งก็กล่าวถวะพระภิกษุผู้ทียบเท่าก็ถามภิกษุอีกรูปหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่งก็ถวายรายงานพระศาสดาว่าข้าพระองค์หนึ่งสชั่วโมง12ชั่วโมงก็คิดระดมถึงมรณสติคือการตายนี่นะเมื่อคิดเบ็ดเสร็จแล้วก็ระดมความเพียรในลักษณะว่ากําหนดรู้ในธรรมที่ควรกําหนดรู้ก็แปลว่าไม่ลุ่มหลงนั่นเองแล้วก็ละราคะพยายามเพียรพยาพ ย, พยามเพื่อจะละราคาโทสะเพื่อจะทําถึงนิโรธแห้แจงแล้วก็เดินตามศีลสมาธิปัญญาครั้งหนึ่ง12ชั่วโมงคิดครั้งหนึ่งเนี่ยนะ ก็ระดมเนี่ยส่วนพิกษูอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานบอกว่าตนเองเนี่ยเอาเป็นวันเอาไม่ใช่เป็นวันแล้วเป็นลักษณะกินอาหารกินอาหารมื้อหนึ่งเมื่อเสร็จมื้อหนึ่งก็โอ้โหชีวิตมันมันรอดมาได้เนี่ยชั่วอกินอาหารไปมื้อหนึ่งเนี่ยดีจริงหนอฉะนั้นต้องระดมความเพียรเพื่อถึงทที่ยังไม่ถึงแล้วก็ดมความเพียรในกิจในพระศาสนาก็คือ ระดมความเพียรในการที่จะรอบรู้ทุกลา้าสมุทรไทยทำนี้โลห้แจ้งแล้วก็อบรมศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องนี่นะแล่วช่วงกินอาหารมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งก็นานนะถ้าพระในสมัยก่อนก็เป็นชั่วโมงเวลาจะกินอาหารท่านจะพิจารณาด้วยอยู่ไหมแต่ส่วนอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานว่าสี่คำกินอาหารสี่คำกินเคียเค้ยวเคี้ยวเพราะท่านจะเคี้ยวนานอยู่แล้วอยู่ไหม เคี้ยวเคี้ยก็วิจัยพิจารณาไปพระสี่คําอรลึกได้ก็ระดมความเพียรไหกิจอันใดที่ยังไม่ได้เดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ระดมกิจอันนั้นเพื่อกิจในการละกิจในการกําหนดรู้ในการละในการทําให้แจ้งแล้วก็ในการเจริญส่วนภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าช่วงช่วงเวลากินข้าวคําหนึ่งที่มีชีวิตรอดมาได้นี่ดีนะดีแล้วหนอะฉะนั้นเราจะได้เพียรพยายามในการประกอบกิจในศาสนาของพระชินพระเจ้านเนี่ยนี ส่วนอีกรูปหนึ่งก็ถวายรายงานกับพระศาสดาบอกข้าพระ อ, องค์นั้นน่ะกำหนดดูช่วงหายใจเข้าและหายใจออกว่ามรณสติเนี่ยที่เราสามารถหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจไม่ขาดได้ดีจริงหนออย่างนั้นเลยก็เร่งระดมความเพียรในการประกอบกิจในาศาสนาในการกำหนดรอบรู้กระแสของชีวิตคือตามหัจมูกเล่นกายใจ ภายในและกระแสชีวิตของตาหูจมูกเล่นภายในภายนอกซึ่งมันมีความมีโอกาสขาดได้ทุกลมหายใจเข้าออกพอรอบรู้เบ็ยดเสร็จก็เพียรในการที่จะละบาปอากศุศลและทรมลามกไม่ให้เกิดขึ้นในใจเพื่อจะน้อมถึงนิโรธคือการดับทุกข์คือพระนิพพานแล้วก็ระดมศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องระดมศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนพระบรมศาสดา ก, ก็ทรงบอกว่าภิกษุ รูปหนึ่งสเป็นต้นไปตามลำดับบอกว่าที่ยี่สชั่วโมง12ชั่วโมงหรือชั่วกินข้าวสคํคำนั้นถือว่าประมาทอยู่แต่สารเสรินว่าข้าวหนึ่งคำกับหายใจเข้าและหายใจออกคิดถึงความตายอย่างต่อเนื่องนี้ชื่อว่าไม่ประมาทไม่ประมาทก็แปลว่าการเป็นอยู่แบบไม่ขาดสติเป็นการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเจริญสติก็คือว่าตามระลึกได้ แล้วก็ย้อนละลึกได้จำได้คิดได้นะไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลยว่าตนเองเนี่ยกระแสชีวิตของตนเองเนี่ยมันยังละอะไรไม่ได้กายทาุจริตสามยังละไม่ได้ว่าจีทุจริตสี่ยังละไม่ได้มโนทุจริตสามยังละไม่ได้ถ้าวันนี้เราตายยังขณะที่บาปอากุศลธรรมอลามกยังเต็มกระแสใจอยู่เนี่ยเราจะไปยังไง พอคิดอย่างนี้ก็เริ่มระดมกิจในภาสนาอันใดที่ยังไม่ทำก็เร่งระดมทีนี้ถ้าถามบอกว่าถ้าชีวิตเป็นอยู่ณนะปัจจุบันแล้วไม่ประมาทมัวเมาระดมความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างนี้พอเจอสถานการณ์ใดๆก็ไม่หวั่นไหวเพราะพอเห็นสถานการณ์ภายในว่าแผ่นดินไหวภายนอกกับแผ่นดินไหวภายใน เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดิบดูกเนื้อเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดทังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้คือแผ่นดินภายในมันไหวมันพังอยู่ทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไปต้องถูกลมขับเคลื่อนจากทั้งท้ายหัวจและปัสสาวะมันก็พังตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมฟันก็หักหนังก็เหี่ยวย่นผมก็งอกสรีระก็โค้งงอแปลว่าแผ่นดินมันทั้งไหวมันทั้งพังอยู่ตลอด ดีเสเลดหนองเลือดเงือมันคข้นน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูดนี่ก็คือธาตุน้ำมันก็แปรปรวนอยู่เนืองนิดไฟที่ยงางไก่อบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโสมไฟที่เผาอาหารให้ย่อยเฝ้าที่ไฟที่ไหม้สรีละจนเกลี้ยมไปเนี่ยมันก็ทำล้ายอยู่เนืองนิดลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเขาละลมเข้าและออกลมเหล่านี้ก็แปรปรวนอยู่เป็นนิด ฉะนั้นดินน้ำไฟลมภายในก็แปรปวนดินน้ำไฟลมภายนอกก็แปรปวนเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่อย่างนี้ก็ไม่ประมาทความไม่ประมาทแม้จะเจอสถานการณ์หนักเพียงไรก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานเพราะเป็นผู้ที่ใช้นโยบายเชิงลุกมาตั้งนานแล้วคือเข้าใจตนเองและเข้าใจสิ่งภายนอกได้อย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่มีนโยบายเพียงตั้งรับแล้วถอยร่น เพราะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะรู้ทั่วเท่าทันในการที่จะวิจัยเดินตามคําสอนของพระศาสดาอย่างต่อเนื่องที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ ใ, ใดๆจะเข้าห้องผ่าตัดจะถูกลมยาจะถูกเครื่องออกซิเจนจะถูกใส่เที่้วยังไงต่างๆไปเสร็จก็ไม่หวั่นไหวเพราะคิดอยู่แล้วว่าสถานการณ์ภายในมันก็ไม่ปกติอยู่ตลอดเวลาดินน้ําไปลมภายในมันก็แทบจะผุพังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ดินน้ำไฟรวมภายนอกเลยไม่ไม่เป็นที่สนุกสถานเพราะเข้าใจอะไรเข้าใจปฐวีภายในซึ่งเป็นลักษณะปฐวีที่ลักษณะแข็งและอ่อนลักษณะหนักและเบาลักษณะที่หยาบและก็เรื่องเก่าซึ่งเป็นธาตุดินเข้าใจสะสมภาระปฐวีคือผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเห็นไหมเข้าใจเข้าใจอารามณ์นาปฐวีคือ ป, ฐ ว, อปฐวีกสิน ที่บรรดาบุคคลที่เจริญฌานสมาบัติทั้งหลายเขาเอามาเพ่งเอามาพิจารณากันที่ทําให้เกิดฌานและสมาบัติและเข้าใจสมมุติปฐวีคือแผ่นดินในโลกใบนี้ทั้งปฐวีทั้ง4ประการเนี่ยทั้งลักษณะปฐวีทั้ง ส, สัสามภาระปฐวีอารมณะปฐวีและสมมุติปฐวีทั้งหลายดินภายนอกหรือดินภายในมันก็คือดินน่ย พระบรมศาสดาบอกว่าเธอจงรู้ชัดตามความเป็นจริงด้วยปัญญาณชอบว่านั้นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั้นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราให้ไปรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสภาพดินมันเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดจากปัจจัยเมื่อปัจจัยที่ทําให้ดินเกิดขึ้นมามันไม่เที่ยงแล้วตัวดินมันจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อสภาพปัจจัยนั้นมันมีการเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วดินมันจะเป็นสุขได้อย่างไร เมื่อสภาพของดินน้ําไฟลมมันเกิดจากปัจจัยที่เป็นอนัตตาบังคับบัญชาคอนโทรลไม่ได้แล้วดินมันจะเป็นอัตตาแต่ที่ไหนเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงทั้งดินภายในและดินภายนอกอย่างนี้แล้วก็ไม่กําหนัดในขณะที่ดินเหล่านั้นดูมันจเจริญ ง, งอกงามก็ไม่ขัดเคืองเมื่อดินเหล่านั้นมันจะทอมทลายแล้วก็ไม่ลุ่มหลงก็จะอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่รู้เท่าทันทั้งดินภายในและภายนอก ถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่หวั่นไหวในที่สุขสถานในการทุกเมื่อ